รธรรมเทศนาแผ่นที่86ลําำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าสะสมเปลือกกระพี้ให้มีกัน วนหนยินเสียงชะนีร้องแนละ้วลูกหลานร้องกระนํเหลือเกินช่วงนี้สงสัยจะหนาวแล้ววะทางอุตุเขาก็ว่าจะหนาวนะอุตุประจำวัดก็ร้องรับทันทีเลยร้องอยู่ตลอดเลยถ้าช่วงไหนอากาศเปลี่ยนแปลงชมชายมาันจะาร้องเวลาฝนจะตกก็ร้อง เวลาจะหนาวข่าวนี้มันจะหนาวล่ะก็ร้องรับในหลายวันนะวันนี้เป็นวันที่24มกราคมพุทธศักราช2559สุขภาพกองหลวงพ่อไม่ค่อยดีลูกหลานคณะช่วงนี้เมื่อวานไม่รับแขกทั้งวันตั้งแต่วันที่15 ปวดหลังและก็เป็นวัดเป็นลักษณะเป็นวัดลงคอมันก็ไม่มีน้ำมูกนะแต่มันลงค อ, อลักษณะเป็นไอวันที่ 15, 16, 17, หนัก18 19งานหลวงปู่ล่าก็ไม่ได้ไปงานหลวงปู่ล่าเคยไปทุกปีไปปีนี้ขิดดูขึ้นเขาแล้วก็ปวดหลังอีกต่างหาก ถ้าไปก็คงจะเป็นภาระของพระลูกหลานศรัทธาญาติโยมไม่ไปไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ให้หามเข้าขึ้นหามขึ้นเวทีไม่ใช่อยาเป็นอย่างนั้นตัวเองไปไม่ไหวแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงและก็วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยก็นิมวลลงไปนู่นนะ จังหวัดจังหวัดพังงางานหลวงพ่อเชิญ อ, อายุพรรษากระเทาๆกับหลวงพ่อเนี่นะท่านจะจัดงานวันเกิดทีแรกกะเสียต่อมื่อตีตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียจากอุดรลงภูเก็ตคงจะ ย, ยกเลิกมั้งแล้วก็ท่านสุเมร ท, ท่านพิพากษาสุเมศ จะอรอลูกกูบาจา์ลูกหลวงปู่มั่นที่บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็คงจะยกยกเลิกอีกไปไม่ไหวแหละสุขภาพาช่วงนี้รู้สึกว่าย่ำแย่เมื่อวานนี่ก็แขกลูกหลานมาเออลูกหลานรับไม่ไหวแล้วอะ่ะเมื่อเช้านี่ยรู้สึกว่าเบื่อเบื่ออาหาร มันคงจะเป็นชั้นยาพวกชั้นยาปฏิชีวนะเบื่ออาหารเอกต า, ากแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็วันพระตามปกติหลวงพ่อจะลงมาไหว้พระทุกวันวันพระแปดคำสิบห้าคำแต่เมื่อคืนก็บอกพระเออไอ ห, หมูพาทำวัดจวดมนไปจนนาหน้าหลวงพ่อคงไม่ลงละ สุขภาพคงไม่ไหวแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อวานมีหมอมาคลายเส้นให้รู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อวานแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่ยังไม่หายแต่อาการหวัดไอก็คงจะค่อยทุเลาลงไปเรื่อยๆก็มั้งนี่แหละธาตุขันลูกหลานเลยเล่าให้ลูกหลานฟังทําไมหลวงพ่อยังไม่ไปที่นู่นที่นี่เนี่ยทำไมเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อ เคล้ายๆกับเล่นตัว เ, เลือกงานไปงานนั้นไปงานนี้ไม่ไปแต่ตามไม่จริงมันไปไม่ได้แต่ขนาดแขกในวัดก็ยังรับไม่ได้เมื่อวานียอมแพ้เมื่อวานฉันอาหารกับฉันแบบไปอย่างนั้น่ะดื่มๆน้ําไปอย่างนั้นเพราะมันเบื่อมันไม่อยากอาหารเลยนี่แหละเมื่อวานยแต่วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นวันนี้ ทั้งเอวก็ดีขึ้นทั้งเป็นหวัดก็ดีขึ้นนะก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นนะในขณะที่มันดีขึ้นพยาจิตลาชก็ดีใจเพราะเอาชน ะ, ะทาหารพยามัจจุราชลงไปได้แต่ตือนยังไงก็เถอะทหารพยามัจจุราชเนี่ยเขากดสุมตัวอยู่ เขาไม่ถอยง่ายง่ายเขาจะตีกายยนครเพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นคือยกอุปมาอุปไมยหลวงพ่อให้พวกเราพวกเราลูกหลานทุกคนศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟังนี่แหละถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยปาะละเลยเกิดมาทั้งทีชีวิตพวกเราขาดทุนนะ ขาดทุนแต่ถ้าอยากจะได้กำไรหลวงพ่อบอกว่าให้ภาวนาให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพวกเราภาวนาสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลานั่นแหละกำไรตลอดเลยแต่ว่าช่วงไหนปล่อยปะละเลยไม่ได้ภาวนา ห่างเหินจากลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธเข้าออกในจิตในลมหายใจเข้าออกช่วงนั้นละขาดทุนขาดทุนธรรมะไม่ใช่ถักขาดทุนทางโลกนะขาดทุนทางโลกอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ขาดทุนชีวิตนะให้พวกเราคิดเอาไวนะ้ถ้าว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะ ไปที่ไหนมีสติสัมปชัญญะพุทธโธพุทธโธพุทธโธขาขวาพุทขาซ้ายโธกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั่นล่ะพวกเราสร้างกําไรสร้างกําไรกับให้กับตนเองถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้คิดแต่และ ว, วี่แต่และ ว, วันไม่ได้คิดภาวนาไม่มีสติอยู่กับตัวเองเลยอันนั้นขาดทุนปนปีนะอ น, นัตถายาติโยมลูกหลานนะ เกิดมาทั้งทีชีวิตแล้วไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลเข้าใส่ตัวเองแปลว่าขาดทุนพระองขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคณะทศไทญาติโยมทุกคนให้ประกอบคุณงามความดีอย่างน้อยก็จะได้ประมาทจนเกินไปวันพระวันเจ้าเรื่องวันว่างว่างก็คุณงามความดีไม่ใช่ว่า เราจะให้ทานอย่างเดียวให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยะเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่อย่างพระสงฆ์อยู่ในวัดท่านจะได้เอาที่ไหนมาทานท่านไม่ได้ทำทานมิแต่ให้อภัยทานอภัยทานวิทยาทานธรรมทานอย่างหลวงพ่อให้ธรรมทานวิทยาทานอภัยทานอามิสทานก็มีน้อยถึงจะมี ก็เป็นของคณะทาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อกนนะถวายต่อไปอีกเพราะมันเป็นของหลวงพ่อแล้วหนะลวงพ่อถวายต่อไปอีกว่าอามิชทธธานทรงสวดทายาติโยมทำมาหาเลี้ยงชีพเต็มๆ เ, เลยถึงจะมากจะน้อยกับเป็นของตัวเองแท้ๆ ท, ที่ได้โแสวงหามาอยากได้กำมาทําบุญนี่เราอามิชทธธาน เป็นบุญกุศลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะอมิตฉาทานคือส่วนหนึ่งอย่างพระสงฆ์ที่อยู่ภายในเนี่ยถึงท่านจะไม่ได้อมิจตาทานวิทยาทานก็ตามท่านยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ท่านยังไม่พร้อมท่านก็ภาวนาเนี่ยนี่แหละการภาวนาเนี่ยเป็นการสร้างกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักของพุทธศาสนา ไม่มีกุศลใดที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการภาวนาการภาวนาทำจิตใจให้สงบนี่แหละอันนี้แหละคือกุศลอันยิ่งใหญ่บรมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าท่านออกจากเวียงวางไปท่านจะมีอะไรท่านไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปดเท่านั้นเองติดพระองค์ไป เรื่องยูกยาเรื่องอะไรก็ไม่มีทั้งหมดไปอยู่บําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีไปลองผิดลองถูกท่านจะให้ทานกับใครพราะตัวท่านเองก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเรื่องการทานท่านก็บาเพ็ญเรื่องจิตตภาวนาของพระ อ, องค์ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดก็ครองจุลองหลายหลายอย่างาถึงหปีจนผลที่สุด ก็ยังไปได้ศึกไปศึกษากับดาบทอีกดาบทคือพวกฤือีในละแวกนั้นมีลือีชื่อเสียงโด่งดังแต่ฤือีเหล่านั้นท่านก็สอนเรื่องสมาธิตามธรรมเนียมของลือศีสอนสมาธิตอ น, นยังไม่ใช่ยังไม่ยังไ ม, ยงไมง่ยังไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างเป็นไม่เป็นที่พอใจของของเรานะท่านก็เรียนจบทั้ง สองฤษีที่ดาลาดาบทอุตกดาบทสองฤษีที่คนละสํานักกันนะคนละสํานักกันคนละวัดกันแ ต, แต่แต่ละสํานั ก, กนมีบริวารั้งห้าร้อยคแต่ศิ ธ, ธาถาก็ไปเรียนกับอาจารย์ดาลาดาบทจบกับไปเรียนกับอุตกดาบทอีกจบแต่ดูประเมินดูแล้วไม่ใช่ ยังไม่ใช่ที่สิ่งที่ต้องการจากนั้นพระองค์ยังออกมาบำเพ็ญตามลำพังอีกที่หนึ่งการศึกษาเรื่องสมาธินก็พร้อมเรื่องทำจิตใจให้สงบจากนั้นพระองค์นำมาพิจารณานั่นเองมาภาวนาอีกกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเกิดญ า, าณทัศนะเกิดฌานขึ้นมา ระลึกลำลึกชาติโหนหลังได้นะอันนี้แหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะสรุปแล้วก็คือการภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าส่วนอื่นนั้นเป็นเปลือกเป็นกัะพี้แต่ส่วนแก่นจริงๆน่คือการภาวนาแต่ถึงยังไง ก่อนที่จะเป็นต้นไม้มันจะเป็นแก่นได้ก็ต้องปลูกขึ้นมาจากเม็ดพ่อปอกเมื่เป็นต้นเป็นก้าขึ้นมาจากนั้นก็เป็นต้นใหญ่ขึ้นมามันก็ต้องอาศัยรากอาศัยกระพีอาศัย เ, เปลือกเปลือกกระพีมันก็สร้างแก่นมันเป็นมันเป็นตามธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่พวกเราจะภาวนาได้อย่างนั้น แต่ท่านพูดพูดท่านตรัสแบบรวบยอดเนะพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้พูดถึงอดีตชาติของพระพุทธองค์ในเมื่อพูดถึงอดีตชาติของพระองค์แล้วยาวเหยียดเลยแต้เยเออสองไหมชาตินั้นเราสร <c oughs> ้างบา ร, รมีอย่างนั้นชาตินั้นบารมีอย่างชาตินั้นบารมียาวเหยียดเลยเออแต่ละบา ร, รมีแต่ละชาตินั่นนะอันนั้นแหะคือการสังสมบา ร, รมี มีทานมั่งมีศีลมั่งมีสัจจะปิ่งมีอธิษฐานมั่งมีอธิษฐานมีอุเบกขาบั่ง <c oughs> มีมากมายประมีสิบทัศของศิท ธ, ธะของพระพุทธเจ้าเราสิบทัศนั่นก็รวมกันเป็นสามสิบสามสิบทัศคาว่าสามสิบทัศคำนี้คืออะไรก็คือทัศหนึ่งก็คือยอดเยี่ยม แบบที่สุดสิบทัศดต่อมาอีกหย่อนลงมาสิบทัศน์ที่สามนี่หย่อนลงมาอีกแปลว่ามีทั้งแข่งมีทั้งกลางมีทั้งหย่อนการบำเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะบางทีเราภาวนาใช่ไหมล่ะบางทีก็ภาวนาแบบ อ, อุกลิปนั่งทั้งวันทั้งคืนอันนี้แปลว่า สร้างบารมีชวะบารมีบา ร, รมีสัมปนันโนอิติปิโสปะกวานะถ้าหากว่าพวกเราทําบ้างไม่ทําบ้างนะอุปบา ร, รมีสัมปนันโนอิติปิโสปะกวานะแต่ถา้าเอาอย่างยอดเยี่ยมนะว่าปรามัตถบารมีสัมปนันโนอิติปิโสภะกวานะอันนี้คือการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า การบําเพ็ญของพระองค์มาโดยสมานเสมอสรุปแรกก็คือสร้างเปลือกสร้างกระพี้สร้างลากแก้วลากฝอยเพื่อจะส่งเสริมให้เป็นแก่นพอมาชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมันก็ส่งเสริมกันมาเรื่อยเรื่อ ย, อยจนถึงมาชาติที่เป็นชาติที่พระองค์ได้บาเพญ็ญ ได้ตัดสุขเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กราบได้ไหว้พระพุทธเจ้านั่นนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราถ้า ว, ว่า <c oughs> พวกเรายังไม่พร้อมเราก็อย่าปล่อยปล่อยปละละเลยหางเหินเหินห่างจนเกินไปให้สังสมบัลามีไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราสัง ส, งสมบัลมีไปเรื่อยๆกันนะบัลมีของเราจะแก่กล้าไปเรื่อยๆ อีกสักวันหนึ่งก็จะเต็มเปี่ยมจะได้เป็นพระอริยะบุคคลได้ <c oughs> แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจบารมีของเราก็มันก็ไม่เต็มง่ายเหมือนกับน้ําตักน้ำใส่ตุ่มใส่โอ่งอย่าง ล, ลักษณะอย่างนั้นแหละเอถ้าว่าเราตักขยันหมันหมั น, มนชาตินี้ตักเตักน้ําใส่ตุ่มมันก็เต็มตื้นขึ้นแต่บางชาติเราหลงละเลยไป ไม่ได้ตักน้ำใส่ตุ่มมีแต่ตทำความชั่วจะมากกว่าตุ่มไปนั้นก็ยังพ่องพอเกิดมาบางชาติอราตักซะอีกมันก็พองมันก็เต็มขึ้นมาอีกมันลักษณะอย่างนั้นละการสั่งสมบรรมัตมีแต่บางพบบางชาติก็เปล่าประโยชน์นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็ น, เ ห, นเห็นไหมอย่างคนป่าคนดงทุกวันนี้ยังซื้อต่างๆเรายังเห็นให้เห็นอยู่นั่นแหละถ้าเกิดพบ พบชาติอย่างนั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ได้สั่งสมบมัลมีแต่บางพบบางชาติเกิดเป็นคนปา่าคนรงก็จริงอยู่แต่ปฏิบัติบิดามารดาดูพ่อแม่ของตนเองอุปรรถัมภะทักพ่อแม่ตนเองด้วยความรักเคารพอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเขาเหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันในหลัก ในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพะนั้นถึงพบอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านจะเกิดเป็นสัตว์เป็นลิงท่านยังดูแลพ่อแม่ของท่านก็ยังเป็นการสั่งสมบ ร, รมีเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มในชาตินั้นก็ไม่เปล่าประโยชน์ทีเดียวยังได้ตักน้ำใส่ตุ่มอยู่ต่อไปถ้าหาว่าพบใดชาติใดได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระประระัิเจ้พุทธเจ้าได้พบฤาษีชีไพรได้พบบัณฑิตนักปราชญ์นะชาตินั้นปลวัติชาติได้กําไรเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาพบนีชาตินี้นะได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนะได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทั้งท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศล อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะั่นคืออะไรคือภาวนานะลูกหลานนะพูดได้เลยคือภาวนาถ้าาว่าพวกเราอยู่กับกับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนะั่นแหละเป็นพวกมีกําไรเอ๋พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าว่ามีพวกนอกาศาสนาถามว่า พระพุทเธเจ้าศาสดาของพวกท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร อ, อยู่ด้วยวิหารธรรมมันคืออยอู่จิตใจของของของพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ด้วยอะไรอยู่ในวิหารธรรมอะไรให้พวกเธอทั้งหลายตอบได้เลยว่าเราตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือเรา ทำสมาธิในกําหนดลมหายใจเขาออกเข้าออกเนี่ยขาดพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านยังอยู่ด้วยวิหารธรรมกําหนดลมหายใจเขาออกนะขนัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นพวกเราอย่าห่างเหินนะถ้าว่าพวกเราไม่ภาวนาแปลว่าเราขาดทุนนะถ้าว่าพวกเราภาวนาเนี่ยแปลว่าได้กําไรเพิ่มกําไรครับให้กับตนเองเนีย่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในวัดของเราเนี่ยนะ เอออย่าปล่อยปล่อละเลยให้ภาวนาถ้าหมวาพวกเราท่นทั้งหลายภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขาขวาโพดขาซ้ายโถนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายได้กําไรแนละ้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดว่าเอวันนี้ของเราเนี่ยเอเราได้กําไรเแล้วเราขาดทุนเราขาดทุนมากไว้วันนี้เราภาวนากี่นาทีกี่ชั่วโมงเออ ว่าทั้งวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยแปลว่าขาดทุนนะอพระลูกพระหลานนะขาดทุนป่นปี้เลยและ่ะวันนั้นให้พวกเราดูตนเองนะนี่แหละขาดทุนกําไรไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอไม่ไม่เหมือนฆราวาสญาติโยมฆราวาสญาติโยมเขาทํามาค้าขายเนะี่ยเขาค้าขายอีกแบบนึงเออกาไรขาดทุนกําไรเขาก็ดูของเขาแต่ขาดทุนกำกำไรกําไรของพระนี่นะ ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือห่างเหินาจากสมาธิาในจิตในใจของตนเองนั่นแหละเราขาดทุนนะให้พวกเราดูจุดนี้นะเอาต่อนนี้ไปพระสงอนุโมทนาให้พรรับพรนัตสีนนะ